ขออนุญาตกล่าวทำต่อนะครับก็ในอาศสันุสยะญาณ น, นะครับก็เมื่อกี้ก็กล่าวไปถึงคําว่าอาสยะแล้วนะครับนี่มาขึ้นอนุสยะบ้างทบทวนอีกครั้งหนึ่งคําว่าอนุสัยกค็คืออะไรครับคือเป็นชื่อของกิเลสที่มีกําลังแรงกล้ามีการมาราคาเป็นต้นนะครับหรือ อาจจะใช้คำว่านอนเนื่องก็ได้แต่คำว่านอนเนื่องนี้หมายความว่ายัางละไม่ได้หรือหมายถึงว่าได้เหตุอันสมควรแล้วก็เกิดก็เกิดขึ้นนะครับได้เหตุสมควรแล้วก็เกิดขึ้นนี่อนุสัยนั้นมีอยู่เจ็ดอย่างนะครับกิเลสที่มีกำลังแรงกล้าได้ปัจจัยแล้วเกิดขึ้นคือการมาราคะองค์ธรรมก็ได้แก่โลภะนั่นเองนะครับปฏิฆะมานะทิฐิ วิจิกิจิชาภาวะราคะและอวิชาถามว่าการมาราคานุสัยของหมูสัตว์เนี่ยนะครับเกิดที่ไหนเหมือนกันเถอะบอกว่าไอ้การมราคานุสัยของหมูสัตว์นะครับย่อมนอนเนื่องในอารมณ์อันเป็นที่รักเป็นที่ยินดีในโลกนะครับถ้าหากว่าอะไรเป็นที่น่ารักน่ายินดีน่าพอใจในโลกนะนการมาราคะก็อยู่แถวๆนั้นนะครับเช่นรูปที่น่าปรารถนา รูปที่น่าพอใจรูปที่น่าใคร่นะครับยั่วยวนชวนให้รับชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดนะครับกามราคานุสัยก็จะอยู่แถวๆนั้นนะครับอย่างเช่นนะครับเรามาเทียบดูนะระหว่างคนสองคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนเป็นเพื่อนสนิทกันเลยนึกและชอบเลยอีกคนหนึ่งศัตรูคู่เวรกันเนี่ยนะครับถ้าจะให้โทสะเกิดนะคิดถึงศัตรูคู่เวรบ่อยๆนะครับ โทสะที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นโทสะที่เกิดแล้วก็จะกำเริบเสสานมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าจะให้การมาราคานุสัยเกิดเนี่ยนะครับก็คิดถึงคนที่เรารักคิดถึงคนที่เราชอบคิดบ่อยๆราคาก็จะกำเริบมากขึ้นกำเริบมากขึ้นเสริมขึ้นเกริ่นขึ้นลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปที่น่ารักน่าพอใจยั่วยวนชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนักนะครับการมาราคานุสัยก็จะเกิดในอารมณ์นั้นๆนะครับ <c oughs> หมายความว่าจะให้หัวเราะเนี่ยนะครับก็ต้องเรื่องที่เราขำเหมืนกันเถอะมีใครได้ยินเรื่องอะไรที่เราขำนะโลภะประเภทขำก็จะเกิดเหมืนกันนะ <c oughs> ประเภทโจกทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นเป็นที่ขำขันของคนทั้งหลายเนี่ยนะมันถามว่าไอ้โลภะหรือราคะประเภทหัวเราะอยู่ที่ไหนก็อยู่กับอารมณ์ประเภทนั้นนั่นแหละครับถือ ในลักษณะของการมาราคานี่นะครับบางคนก็อาจจะนอนเนื่องในรูปเนี่ยมากบางคนเนี่ยอาจจะนอนเนื่องในเสียงนี่มากนะครับบางคนก็นอนเนื่องในกลิ่นเนี่ยมากบางคนก็นอนเนื่องในรสเนี่ยมากบางคนก็นอนเนื่องในโพธาภะเนี่ยมากแต่ถ้าโดยพระสูตรทั่วๆไปนะครับโดยเฉพาะในอังคุตระนิกายเอกานิบาตนะครับเอกานิบาตอังคุตระนิกายสูตรที่ 1- ถึงสูตรที่5นะครับ แล้วก็สูตรที่5ถึงสูตรที่10นี่นะครับทั้ง10สูตรเนี่ยนะครับพระองค์ตรัสว่าโลภะของผู้ชายก็นอนเนื่องในอารมณ์คือผู้หญิงนั่นแหละครับโลภะของผู้หญิงก็นอนเนื่องในอารมณ์คือผู้ชายนั่นแหละที่พระองค์ตรัสว่าดูกรที่สูตรทั้งหลายนะเราไม่เล็งเห็นรูปอย่างอื่นนะครับจะครอบงำจิตของบุรุษ นะครับตั้งอยู่เหมือนรูปของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปของสตรีเนี่ยนะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับแล้วพงศู่์ต่อไปพงศ์บอกว่าเราไม่เล็งเห็นเสียงอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะพึงครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับเหมือนเสียงของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายเสียงของสตรีเนี่ยครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับแล้วพง์อีกสูตรหนึ่งบอกว่า เราไม่เล็งเห็นกลิ่นอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับกลิ่นของสตรีเลยดูความพิสูจน์ทั้งหลายกลิ่นของสตรีเนี่ยนะครอบงาำจิตของบุรุษตั้งอยู่คําว่ากลิ่นในที่นี้หมายถึงแม้กระทั่งกลิ่นข้าวของเครื่องใช้ของสตรีนะคะ mm. เช่นกลิ่นแป้งเป็นต้นที่มาทาตัวนะแต่กลิ่นตัวจริงๆไม่ได้หอมอะไรผู้รุษไม่ได้ชอบอะไรนะครับแต่หมายถึงกลิ่นเครื่องเทศทั้งหลายนะเครื่องประดับเครื่องตกแต่งนะ แล้วก็ทักกับข้าวก็ใส่เครื่องเทศใช่ไหมครับท่านนี้ก็เหมือนกันนะครับเครื่องแต่งตัวทั้งหลายนะพวกแป้งน้ําหอมทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองนะครับและพระองค์ตรัสบอกว่าเราไม่เล็งเห็นรถอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับรถของสตรีเลยดูความวิสูตรทั้งหลายรถของสตรีครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เช่นเรียกว่ารถของการปรนิบัติใช้สอยหรือว่ารถกับข้าวกับปลาเป็นต้นที่มาทุกามคนนั้นๆนเนี่ยนะครับแต่งปรุงให้นะครับ ก็คือว่าติดใจในฝีมือองั้นเถอะและคงอีกโซนหนึ่งบอกว่าเราไม่เล็งเห็นโพธาภาเอืินได้อย่างหนึ่งที่จะครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนกับโพธาภาของสตรีเลยทุกความที่สูจนทั้งหลายโพธาภาของสตรีครอบงำจิตของบุรุษตั้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการมาราคานุสัยของบุรุษ ส, ส่วนใหญ่ก็คือนอนเนื่องในสตรีอันนี้โดยมากนะครับกล่าวถึงโดยส่วนมากนะครับ แต่ก็อาจจะมีชาติอาชาในที่เจริญอสุภาพมากๆเป็นต้นก็ไม่เคยนึกอะไรหรอกหรือแม้ในยะตรงกันข้ามนะครับรูปเสียงเปลี่นรสโพธิภพของบุรุษก็ครอบงําจิตของสตรีตั้งอยู่เหมือนกันนะครับอีกห้าสูตรหนึ่งนะครับแล้ดีอีกหาสูตรสุดท้ายนะครับที่กล่าวไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นการมราคานุสัยก็จะนอนเนื่องอยู่ในสิ่งเหล่านี้ซะส่วนใหญ่นะครับทีนี้ต่อไปนะครับถ้าปฏิคานุสัยนะครับก็อะไรที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร้ไม่น่าพอใจนะครับ ไม่ได้เป็นที่รักเลยนะเช่นพวกสิ่งทั้งหลายที่เสียหายนะครับความวิบัติของสิ่งนั้นๆเนี่ยนะเช่นพวกศัตรูทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่ชอบใจแ้ถ้าผู้ใดเอ่อได้รับอารมณ์เหล่านี้โดยมากก็เป็นโทสะนะครัทุกนะครับเช่นนะจะหานะทุกเพราะอาศัยอะไรนะโทสะก็จะเกิดเพราะทุกเนี่ยอย่างหนึ่งโทสานี้จะอาศัยเกิดก็เพราะเสื่อมลาบเนี่ยอย่างหนึ่งเพราะถูก นินทานี่อย่างหนึ่งเสื่อมยศก็อย่างหนึ่งนั้นสิ่งเหล่านั้นนี่เป็นอปิยรูปอสัตรรูปทั้นโทสะก็จะนอนเนื่องในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นสาตว์ทั้งหลายนี่นะครับถูกการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยเนี่ยกำเริบเสื่อมสามตลอดถ้าถูกโลกกระทำฝ่ายดีเช่นได้รับความสุขการมาราคานุสัยก็นอนเนื่องถ้าได้รับความทุกข์ปฏิคานุสัยก็เกิดต่อนะครับถ้าหากว่าได้รับลาบ การมาราคะก็เกิดนะครับถ้าเสื่อมลาก ป, ปฏิฆะก็เกิดถ้าหากว่าได้ยศการมาราคะก็เกิดถ้าเสื่อมยศปฏิฆะก็เกิดถ้าได้รับคำสรรเสริญเยินยอการมาราคะก็เกิดถ้าได้รับคำด่าว่าร้ายเป็นต้นก็ปฏิฆะก็เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็มาในรูปแบบของโลกธรรมฝ่ายดีสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็อยู่ในโลกธรรม ฝ่ายร้ายนะครับทีนี้อวิชาก็ตกไปตามธรรมะทั้งสองประการนี้นะครับนะอวิชาก็นอนเนื่องอยู่ในปิยรูปสารูปอปิยรูปอาสาตรูปเพราะอะไรครับก็สุขนี่นะพอได้รับความสุขเนี่นะมองเห็นอริยสัจไหมครับไม่เห็นไม่เห็นอีกแลวอวิชาก็แล้วถ้าได้รับความทุกข์เห็นอริยสัจก็ไม่เห็นอริยสัจ เพราะฉะนั้นได้ลาบเสื่อมลาบได้รับนินทาหรือว่าถูกสารเสริญหรือว่าได้ยศเสื่อมยศเนี่ยก็ไม่เห็นอริยสัจทั้งทั้งหมดอีกแล้ท่านอวิชาก็เลยนอนเนื่องปกปิดในสิ่งเหล่านั้นไม่ให้เห็นสัจจะในสิ่งเหล่านั้นนนั้นเลยส่วนมาณนะทิฏฐิและวิจิกิชาก็ตั้งอยู่ร่วมกันกับอวิชานั้นเช่นถ้าอวิชารอบงาในอารมณ์ใดมา n ะก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นถ้าได้ปัจจัยนะ ที่ๆก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นวิจิกิจฉาก็จะไหลไปตามอารมณ์นั้นๆโดยที่เป็นบริวารของโมหะนะครับโดยเป็นบริวารของโมหะเพราะฉะนั้นเพิงเห็นว่านี้เป็นอนุสัยของสัตว์ทั้งหลายนะครับที่พระองค์ทรงอย่างรู้หมดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีอนุสัยตัวไหนกิเลส ช, ชนิดไหนเนี่ยนะได้ช่องได้เหตุได้ปัจจัยมีกําลังแรงกล้าเนี่ยพงษ์ มองเห็นใครครวญพิจารณาได้อย่างแทงตลอดหมดนะคบซึ่งผู้อื่นไม่สามารถที่จะยังรู้ได้อย่างนี้นะครับเพราะเป็นอาสาธายา น, นยานเป็นญาณที่เป็นอาสาธารนะแต่แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะยังรู้ได้อย่างละเอียดละออแต่ถ้าโดยทั่วๆไปเราก็พอรู้เช่นคนขี้โกรธนะเรารู้ไหมครับรคนนี้นิสัยหงุดหงิดง่ายนะระวังให้ดีนะครับอยไปผูกพันกับเขาบ่อยๆน ะ, ะห่างๆไว้นะครับ คนนี้การมาราคะแรงนะอย่างเงี้ยนะครับไกลๆหน่อยนะอย่างเงี้ยคนนี้ขี้ลังเลสงสัยเนะวันๆหนึ่งอุ้ยทำอะไรคิดหาแต่เรื่องสงสัยมาใส่ตัวนะครับบางคนเนี่ยก็โอ้โหเจ้ามานะเลยนะครับมีแต่การเปรียบเทียบเป็นต้นบางคนก็เจ้าทิฏฐิสัสตตะทิฏฐิอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิบางทีก็พูดปฏิเสธบุญปฏิเสธ บ, บาปไปเรื่อยลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็พอรู้ได้แต่คร่าวๆแต่อวิชานุสัยนะครับเว้นพระอริยะเสีย โดยมากกับทั้งนั้นนะครับวิชานุสัยครอบําหมดนั่นแหละขอโอกาสครับเออพวกันนี้นี่พอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้ทันทีเนี่ยหมายถึงว่าใจใจของเรานี่สามารถรับอะไรครับรู้ว่าเขากําลังเกิดความโกรธทุกความโกรธเกิดมาณอะไรเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีหรือว่าออรู้นี่ยหมายความว่ารู้แบบไหนครับรู้ว่าเขาเป็นคนประเภทนี้คือโดยทั่วๆไปนะการครบ ขาสมาคมสีหน้าท่าทางเนี่ยนะก็พอรู้ระดับหนึ่งแล้วนะครับเช่นเห็นคนหน้าดำคร่ำเครียดหงุดหงิดฟิตกฟาดมาเนี่ยนะครับรู้ไหมว่าเขากโกรธมาโดยทั่วๆไปก็รู้นะครับแต่ทีนี้ว่าความรู้โดยทั่วๆไปเนี่ยนะ ก็ไม่ต้องศึกษาธรรมะ ก, ก็รู้ได้นะครับแต่ว่าเอาทีนี้รู้แบบที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะครับต้องรู้แบบไหนรู้แค่ไหนรู้อย่างไรนในความรู้อย่างที่ว่าก็คือรู้ด้วยปริญญาทั้ง3าประการนั่นเองนะครับรู้ด้วยยาตะปริญญาอย่างถึงสภาวะธรรมนั้น น, นพร้อมทั้งปัจจยัยรู้ตีรณปริญญาให้ควรถึงธรรมะเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นแล้วก็ปหานะปริญญาละวิปาัาธรรมในสิ่งเหล่านั้นนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับ ทีนี้ก็มากล่าวถึงจริตของสัตว์ทั้งหลายซึ่งจริตของสัตว์ทั้งหลายอาจารย์ท่านอธิบายถึงว่าหมายถึงกรรมที่ทําไว้ในชาติก่อนนะครับจริญหรือกรรมที่ทํำไวในพบ ก, ก่อนไม่ว่าจะเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนินชาพิสังขาร น, นะครับคําว่าปุญญาพิสังขาร น, นั้นได้แก่เจตนาสิบาดวงนะครับหมายถึงมหากุศลจิตมหากุศลเจตนา8รูปาวจรเจตนา น, นี่ลักษณะของปุญญาพิสังขารถ้าอปุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลเจตนา12อาเนนชาพิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลเจตนา4ดวงนะเจตนาทั้งหลายเหล่านี้ของศาสตร์ทั้งหลายในอดีตนั่นเองนะครับแล้วในเจตนาเหล่านั้นทั้งหมดนะครับบางพวกก็มีวิบากมากบางพวกก็มีวิบากน้อยไอ้ที่วิบากน้อยเรียกว่าปริตภูมิที่มีวิบากมากเรียกมหาภูมิ พวกที่เป็นปริตภูมิเนี่ยนะครับบางทีก็เป็นกามาวจรส่วนมหาภูมิได้แก่รูปาวจรและอรูปาวจรก็ขยายไว้หลายในนะครับทั้งหมดที่กล่าวนี้เป็นเจริตของศาตว์ทั้งหลายคือเป็นของเก่าอ่ะนะว่ากรรมอะไรมานําเกิดกรรมอะไรมาให้ผลทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกรรมอะไรมาทําให้นําปฏิสนธิเป็นต้นเนี่ยพระองค์อย่างถึงหมดนะครับ หมายคาะว่าเห็นหน้าก็รู้แล้วนะครับว่ามาจากกรรมอะไรนะครับอะไรมานําเกิดเนี่ยนะเช่นหน้าตารูปร่างผิวพรรณสวนทรงสันฐานเป็นต้นเนี่ยมาจากกรรมอะไรเนี่ยพระองค์ก็ยังถึงทันทีเลยนะครับลักษณะนี้พระองค์รู้จักเจริตอ่าแล้วก็กรรมที่นําเกิดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารขานเนี่ยนะกรรมที่นําเกิดเนี่ยนะครับเช่นถ้ากรรม ท, ที่ที่มานําเกิดเป็นมนุษย์เช่น ให้ทานนะครับบุญประเภทให้ทานมานําเกิดให้เขาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าตอนที่ทําทา น, น ก, กุศลเนี่ยเป็นคนมักโกรธช่วงให้ทานอยู่นักโกรธเคยไหมครับบินทบาตเนี่ยนะโยมเขาทําจะใส่บาตรนะเขาด่าลูกก่อนนะครับนำมาใส่บาตรแล้วกลับไปด่าลูกต่อเนี่ยนะลักษณะเนี่ยนะถ้าบุญที่ให้ทานอันนั้นนําเกิดเขาจะเป็นคนหนักไปทางโทสะจริตนะครับทีนี้ถ้าหาว่าขณะที่เขาให้ทานเนี่ยนะ โอโ ห, โ, หโลภเหลือเกินเนี่ยนะครับยินดีตั้งปาธนารูปเสียงกลิ่นรสนี่มหาศาลอันน้นก็อยากอันนี้ก็จะเอาเป็นต้นเนี่ยอันนั้นก็ลักษณะว่านิสัยมักโลภนะครับส่วนหอให้ทานไปด้วยเมาไปด้วยนะครับมักโมหะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุญให้เกิดก็เป็นคนไม่ค่อยฉลาดนะครับ ก็ทำให้เป็นประเภทโมหะจริตนะครับเวลาให้จะให้ทานเนี่ยนะก็มักเป็นไปกับความฟุง้งซ่านวิตกคิดวิตกกังวลไปหมดถ้ากรรมประเภทนั้นมาให้ผลนําเกิดก็จะทําให้เขาเป็นคนวิตกจริตนะครับพุทธญาณ <c oughs> ปกติถ้าได้ยินคําว่าจริตเนี่ยเราจะต้องนึกไปถึงเรื่องของราคาัจริตโทสัจจริตโมหะจริตพุทธจริตอะไรนะฮะสัจธาจริตเนี่ยนะคือสิ่งเหล่านี้เราจะวิเคราะห์ได้เมื่อเมื่อ พิจารณาว่ากรรมอะไรครับที่มาให้เขานำเกิดเนี่ยนะ อ, อย่างที่ผมกําลังว่าเนี่ยถ้าหาอ๋อเรื่องเดียวกันใช่ไหมครัเรื่องเดียวกันเช่นถ้าคนนี้นะครับทําไมจึงเป็นคนมักโลกเนื่องจากว่าโลภะมีกําลังตอนที่ให้ทานนะครับคือคื อ, คอกรรมที่ให้ผลนําเกิดเนี่ยมาจากทานศีลภาวนาเนี่ยนะอันนี้เราเฉพาะมนุษย์นะมามาจากทานศีลภาวนาทีนี้ทานศีลภาวนานเนี่ยบางคนเวลาทําเนี่ยนะมากไปด้วยโลภะ หมอชาตินี้เนี่ยไอ้อุปนิสัยโลภะ ก, ก็มีกําลังถ้าตอนที่ทําทานศีลภาวนาเนี่ยนะมากไปด้วยโทสะคือสลับกับโทสะเนี่ยนะบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเช่นสมมติผมเนี่ยสมมตินะพูดธรรมะไปโกรธไปด่าไปอย่างเงี้ยนะไอ้กุศ ล, ลจิตที่พูดก็ส่วนที่พูดไอ้ที่โกรธก็โกรธดัดนกุศลอันนี้นําเกิดกลายเป็นคนหนักไปทางโทสะนะครับเจริตอันนั้นก็กลายเป็นคนโทสะเจริญไป หรือถ้าหากว่ากรรมบางอย่างที่นำเกิดเนี่ยนะครับมากไปด้วยโมหะนะเช่นสลึมสลือเป็นต้นเนี่ยนะอนกรรมประเภทนั้นก็จะทําให้เป็นพวกโมหจริตนะครับหรือว่าก่อนกำลังทํากุศลก็วิตกฟุ้งซ่านก็เป็นประเภทวิตกจริตไปนะครับแต่ถ้าหากว่าขณะที่ทํากุศลนั้นๆนะครับมากไปด้วยอะโลพาอะโทสะอโมหะเป็นต้นเนี่ยนะคนนั้นก็จะเป็นคนไม่มักโลภไม่มักโกรธและก็เป็นพุทที่จริตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลา เจริญกุศล น, นั้นน่นนะครับเป็นเครื่องกําหนดจริตนะครับเป็นเครื่องกําหนดจริตเพราะว่ากุศลตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวนําเกิดอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่นขณะที่เราฟังธรรมสนทนาธรรมเนี่ยนะครับถ้ากุศลเหล่านี้นําเกิดนะถ้า น, นิสัยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับสลับเนี่ยนะคกุศลบางอย่างสลับอยู่ขณะเนี่ยหรือกุศลก็ตามพวกนี้จะไปเป็นจริตของชาติหน้า เช่นบางคนเนี่ยนะครับขณะที่ฟังธรรมอยู่เนี่ยสลับกับการฟังก็มักหลับเนี่ยนะกรรมอันนี้ถ้านําเกิดนะ<ม>ก็จะเป็นคนยินดีในการหลับนะครับนั่นนะมากคืออันนี้กุศล น, นําเกิดครับพูดถึงถ้ากุศล น, นําเกิด<ม>นะครับใช่ผมพูดถึงว่าที่พระเจ้าแสดงไว้นะว่าคนที่มักหลับก็คือคนที่เคยเกิดเป็นงูมา <laughs> อ๋อนั่นก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือกรรมที่ระหว่างทํากุศลนั้นๆ น, น, นะครับเช่นก่อนให้กําลังให้หรือให้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมากไปด้วยอะไรจริตอันนั้ น, นครับเป็นเครื่องบอกจริญอันในวิสุทธิมรรคท่านยอมรับนัยนี้นี่นะครับคือคือก่อนทำอ่ะนะก่อนทางกําลังทำเนี่ยนะมากไปด้วยโลภะโทสะโมหะเป็นต้นไหมสิ่งเหล่านั้นอ่ะเป็นเครื่องกําหนดจริญนิสยัยต่อไปแต่ทีนี้ว่าเออบางช่วงอ่ะนะ เราก็โหเจตนาสามก็ดีบางช่วงกับเจตนาสามไม่ค่อยดีแล้วกรรมตัวไหนจะเป็นตัวนําเกิดเป็นต้นคําถามแบบนี้ก็ต้องไปศึกษาเรื่องกรรมนะครับเพราะว่ากรรมบางอย่างก็เป็นทำสามารถทําชนะกรรมได้กรรมที่ทําชนะกรรมนั้นเป็นกรรมประเภทไหนก็ต้องไปศึกษาเรื่องกรรมสิบสองให้กว้างขวางนะครับถ้าเข้าใจเรื่องกรรมและเข้าใจเรื่องเจตนาก่อนทําเจตนาหลังทําไปแล้วก็จะรู้แล้วว่าเจริตเขาเป็นยังไง สิ่งเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเล็งถึงหมดเลยนะครับว่าเป็นจริตเดียวหรือจริตละคนปนเปนกันนะครับแล้วก็ในจริตนั้นๆเนี่ยนะทาราคะจริตหนักในสีหรือหนักในเสียงหนักในกลิ่นเป็นต้นพรอมก็ยังถึงหมดนะครับส่วนอธิมุตของศาสตรทั้งหลายเนี่ยเป็นฉไงบอกว่าศาสตร์ทั้งหลายมีอธิมุตเลวก็มีอธิมุตปนีก็มีจำนวนเราแบบคนดีก็มีคนเลวก็มีเหมือนนทีนี้ศาสตร์ทั้งหลายผู้มีอธิมุตเลวคืออาสยะเลวนะ เป็นคนทุศีนไม่มีศีนไม่สัมสรวมกายวาจาคนทุศีลก็ย่อมคบหาสมาคมนั่งใกล้กษัตริย์ผู้เมียธิมุตเลวเหมือนกันแปลว่าถ้าครูอาจารย์ชั่วลูกศิษย์ก็พอๆกันนะครับจึงอยู่ด้วยกันได้นะครับสำนวนว่าสามีภรรยาโดยมากก็พอๆกันนั่นแหละครับจึงอยู่ใกล้ๆกันได้เพราะงั้นลักษณะเนี่ยพวกอธิมุตใกล้กันก็จะอยู่ใกล้กัน่เรียกว่าฝูงช้างย่อมไปสู่ฝูงช้างฝูงมา้าไปสู่ฝูงมา้าฝูงโคไปสู่ฝูงโคคน ขี้เล่าก็ไปหาขี้เล่าด้วยกันคนติดยาก็ไปหาพวกขี้ยาด้วยกันเป็นต้นนี่นะครับแม้กระทั่งคนฟังธรรมถ้าชอบฟังธรรมแบบแบบไหนก็จะไปหาแนวเดียวกันพวกชอบฟังวินัยก็ไปหาฝกษาพระวินัยไปพวกที่ชอบฟังพระสูตรฟังชาดกก็ไปหาที่ฟังชาดกไปพวกฟังอภิธรรมก็จะไปร่วมกลัวกับพวกอิธรรมไปนะครับพวกชอบวิปัสสนาก็ไปหาพวกที่สายวิปัสสนาเดียวกันนะครับ แล้ววิปัสสนาก็มาแบ่งสายแต่ละสายแต่ละสายก็ไปหาพวกเดียวกันอันนี้ยอาทิมุตใกล้กันนะครับทีนี้เลวหรือปณิเอก็ตามสมควรกับศัพท์กลุ่มนั้นๆ น, น, นะครับถาดดีมีศีลก็เรียกว่าอาทิมุตดีถาดไม่มีศีลเป็นต้นก็เรียกอาทิมุตเลวนะครับเออก็เหมือนกับที่เรื่องของที่พระพุทธองค์ตัดกับเอ่อกับพิสุว่าเธอเห็นไหม พิสูจน์นั่นนะกำลังไปอยู่ร่วมกับพระมหากัสสะอยู่ร่วมกับพระอานุน์อยู่ร่วมกับพระนุรุตธะอะไรของกันคลายกันครับผมก็เป็นไปตามธาตุนะครับลูกศิษย์พระเทวทัตนะครับที่มีอัธยาศัยปาธนาลามมกก็ไปเดินตามพระเทวทัตนะครับพวกที่ฝักใฝ่สติปัญญาก็เดินตามพระาสารีบุตรนะครับพวกที่ชอบฤทธิชอบเดชก็เดินตามพระมหาโมกัลานะพวกที่ทรงทูดงทั้งหลายก็ไปร่วมกับพระ มหากัสปะทั้งหลายเนี่ยเขแบ่งไปตามธาตุนะครับแล้วก็บอกว่าสัตว์ผู้มีอธิมุติประณีตนะครับก็ย่อมคบหาสมาคมนั่งใกล้กับสัตว์ผู้มีอธิมุติประณีตคือตรงนี้นะครับถ้าหากว่าทักษะอธิบายว่าถ้าครูอาจารย์เป็นคนทุศีลนะครับศีลไม่ดีลูกศิษย์เนี่ยนะครับเป็นคนมีศีลมีธรรมเนี่ยนะก็จะหลีกจากอาจารย์นะครับไปหาหมู่คณะที่มีศีลมีธรรม ถ้าหากว่าครูอาจารย์เป็นผู้มีศีลมีธรรมดีลูกศิษย์ไม่ได้เรื่องเหมงอนกันเถอะเลวทูศีลเป็นต้นก็จะจากอาจารย์เหล่านั้นไปหาพวกเดียวกันนะครับแล้วก็สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ใช่ปัจจ้ายุคนี้เท่านั้นนะแม้ในอดีตการพวกอธิมุตเลวกคบหคากับพวกอธิมุตเลวเหมือนกัน พวกอาิมุตปนีกับคบหากับพวกอาทิมุตปนีเหมือนกันแม้ในอนาคตการที่จะมีต่อไปพวกอาทิมุตเลวก็จะคบหาสมาคมเข้าไปนั่งใกล้กับพวกอาทิมุตเลวเหมือนกันพวกอาทิมุตปนีตก็จะคบหาสมาคมเข้าไปหานั่งใกล้กับพวกอธิมุตปนีตเหมือนกันเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายในการ3มเนี่ยมีอาทิมุตนะครับมีธาตุนั่นแหละเป็นเครื่องกําหนดนะครับ เพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามธาตุนะครับธาตุคล้ายคลึงกันจึงไปรยู่ไปอยู่รวมกันเป็นประเภทกลุ่มเดียวกันอะไรกันเนี่ยนะครับทั้งหมดในเทือกล่าวนี้ลักษณะของอธิมุดของสัตว์ทั้งหลายซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงแทงตลอดเรื่องอธิมุดของสัตว์เหล่านั้นนนั้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากอาธิมุดที่แตกต่างกันแม้แต่พระาหันทั้งหลายก็มีอธิมุดแตกต่างกันนะครับ อธิมุตแบบพระสารีบุตรก็หนักไปทางปัญญาอธิมุตแบบพระโมคคัลลานะก็หนักไปทางเรื่องริษนะครับแต่ท่านเป็นอันนักอภิธรรมนะครับพระโมคคัลลานะเป็นธรรมกัึกเป็นนักอภิธรรมนะคะระคะับสมัยพุทธกาลก็ยกย่องว่าท่านเป็นนักอภิธรรมเพราะเป็นท่านเป็นธรรมกัึกนะครับจะต้องสนทนาอภิธรรมกถาเป็นต้น น, นะนะส่วนพระสารีบุตรนี่จะยินดีในเรื่องของสมาบัตินะครับหรือว่าแม้แต่พระอรหันต์กลมพระนุโรธากลุ่มพระอนนุนเนี่ยนะก็ยังมีอธิมุตที่แตกต่างกันบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นสมัยพุทธกาลท่านใช้คําว่าอาัศีติมมหาสาวกสาวกผู้ใหญ่80องค์นะครับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีอัธยาศัยที่หลากหลายเมื่อหลากหลายอันนี้พระองค์ก็ยกย่องให้เป็นเลิศของแต่ละสายแต่ละสายไปนะครับส่วนอภัพ菩萨เนี่ยเป็นฉไหนพวกอาภัพนะมาดูว่าเรานี่อาภัพอะไรบ้างนะครับศาสว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยธรรมะเป็นเครื่องกั้นเหล่านี้นะครับคือกรรม นะคนที่ทําอนันตริยกรรมหประการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำโลหิตของพระผู้มีให้พระภาคให้ห่อนะครับแล้วก็ทําสังกเพศอ่ะพวกนี้เรียกว่าคนอาภัพอย่างพระเทวทัพเนี่ยนะครับอนันตริยกรรมพระเทวทัพนั้นหนึ่งนะครับทําโลหิตของพระผู้มีประภาคให้ห่อสองทำสังกเภทนะครับอันนี้ก็พวกอาภัพพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็อาภัพนะครับเพราะฆ่าพ่อก็เลยอาภัพเลย ไม่สามารถบรรลุมรรคผลถ้าปกติธรรมดาถ้าไม่ฆ่าพ่อนะฟังอสสามัญญผลสูตรก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันแต่ก็เนื่องจากไปทํากรรมคือฆ่าพ่อก็เลยอาภัพเลยหรือพวกนิยตามิจฉาทิฐินี่นะครับก็เป็นคนอาภัพนะครับพวกที่ปฏิเสธเหตุปฏิเสธผลนะครับพวกที่ปฏิเสธเหตุเรียกว่าอาหิสุกะทิฏฐิว่าเออมันไม่มีเหตุมีผลอะไรหรอกนะครับพวกปฏิเสธการกระทํา ก็เป็นพวกอกิริยะทิฏฐิพวกปฏิเสธทั้งเหตุทั้งผลก็เป็นพวกนัตถิกะทิฏฐินะครับพวกนัตถิกะทิฏฐิหรืออนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะครับก็บอกว่าเที่ยงแท้ที่จะตกนรกนะครับเป็นมิจฉาตานิยตาธรรมานะครับเป็นผู้เป็นความเห็นเป็นความผิดเป็นความพลาดที่ตกนรกแน่นอนนะครับแล้วพวกที่มีวิบากเป็นเครื่องกลางกันก็คือพวกอาเหตตุกะปฏิสนธินะครับ พวนี้ก็ไม่สามารถบรรลุฌานมรรคผลได้หรือพวกทวิเหตุนะครับปฏิสนธิด้วยเหตสองหรือพวกไม่มีศรัทธาในคุณของพระรัตนะตรายเป็นต้นนะครับพุทธคุณก็ไม่ศรัทธานะครับมีนะครับผมเนี่ยเห็นละกำลังสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุยเรื่องอื่นเฉยได้นะครับแสดงว่าเขาเป็นคนไม่มีศรัทธาในคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น วิธีหนึ่งนะครับในการคบหาสมาคมกับญาติโยมทั้งหลายเนี่ยนะเรื่องที่น่าคิดหนึ่งนะถ้าเราพารานาคุณของพระพุทธเจ้ายกย่องคุณของพระองค์อยู่นะเขาไม่สนใจนะครับเขาไม่สนใจเนี่ยนะเยอมคนนั้นเป็นต้นควรห่างไว้นะครับสแสดงว่าเขาไม่ได้มีศรัทธาในพระรั ต, าตาในตรัยคนที่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี่นะครับอเอาอะไรมาเป็นเครื่องประกันว่าเขาศรัทธาเราพระพุทธเจ้ามีคุณดีขนาดนั้นเขายังไม่ศรัทธาเลยนะครับ ดังนะนั้นเการคบกับเรานี่ก็ต้องควรระวังนะครับควรควรที่จะระวังเหมือนกัน เ, เขายังไม่เข้าใจหรือว่าอาจจะฟังฟังฟังยากไปเขาถ้าหากว่าเราไปมองเห็นว่าเอ๊ะเขาไม่สนใจฟังแล้วก็เราก็ห่างๆเขาไว้แล้วก็ไม่สนใจจะจะแสดงให้ทําให้เขาฟังแทนที่เขาจาไม่มีศรัทธาก็จะได้มีศรัทธาก็เลย ไม่มีศรัทธาไปเลยอย่างนี้ไม่แย่หรอกครับเนี่ยก็เจอโยมแบบนี้ผมจะมานิมนต์อาจารย์ครับนะครับยังไงก็ช่วยสงเคราะด้วยนะครับก็คล้ายๆว่าเอออย่างตาสีตาสาวันนอกบ้านนาอะไรอย่างเงี้ยครคือเขายังไม่ไม่เคยมีใครมาพูดเรื่องอย่างงี้ให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยครับครับมกรุณานะครับ แล้วยังไงจะมาแนะนํานะครับมาชักชวนไปนะครับถ้าไปเจอคนที่มีอย่างที่ว่านี่นะครับพวกหัวแข็งโปก๊กพระพุทธเจ้าก็ไม่สนใจเป็นต้นเนี่ยนะแต่ผมจะมานิมนต์อาจารย์ไปกันแล้วกันนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้คุยว่าลักษณะลึกซึ้งอะไรหรอกก็คุยว่าเออพระองค์นี่มีคุณอย่างนี้น ะ, นะพระพุทธเจ้านี่มีพระมหากรุณาต่อพวกเราจริงๆนะ ตรงจึงแสดงทำมิาานายเป็นต้นนะครับก็แสดงถึงไม่ใคร่จะฟังไม่สนใจจะฟังเป็นต้นเนี่ยนะครับคือคุยภาษาธรรมดาธรรมดานี่แหละครับพอรู้กันนะแต่ละเขาไม่ค่อยมีศรัท ธ, ธาที่จะฟังที่จะเรียนรู้เป็นต้นเนี่ยนะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาไว้วิเคราะห์ว่าควรห่างไว้ดีนะครับเพราะว่าถ้าคนไม่มีศรัท ธ, ธาเนี่ยนะเขามาพูดชักชวนเราเนี่ยนะครับไม่นานก็เป็นไปได้ที่เราจะไม่มีศรัทธาเราทั้งหลายนี่นะครับมันก็เหมือนกับคนไข้นั่นแหละ พ้าพาเอาเชื้ออะไรมาก็จะติดเชื้อนั้นไปกับเขานะครับคิดดูนะเจอคนฟุ้งซ่านมาเล่าให้ฟังสักชั่วโมงหนึ่งไอ้เชื้อฟุ้งซ่านก็ติดมาแล้วนะครับนะเขากําลังหงุดหงิดไปโกรธใครมานั่งด่าอยู่ชั่วโมงหนึ่งนะครับเราก็ติดเชื้อมาแล้วนะครับโทรศัทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอาศาัตรุษทั้งหลายโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีสตานในพระรัตนะตรีนี่นะครับพระองค์นี้ แต่ว่าเป็นอัคโครจรเลยนะคะเป็นอัคโครจรทัานบุคคลเหล่านั้นไม่ควรซ่องเสพไม่ควรเข้าหาไม่ควรเข้าใกล้นะครับห่างเข้าไว้ดีถ้าประสงค์จะเจริญในพระาศาสนานะครับหรือพวกที่ไม่มีฉันทะคือไม่มีกัตุกรรมยาตาฉันทะในกุศลนะครับพวกนี้ก็เป็นอภัพเหมือนกันนะครับเป็นสัตว์อภัพเหมือนกันหรือผู้ที่มีปัญญาซามนะครับหมายความว่าพวกไม่ได้ปฏิสนธิด้วยติเหตุก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ หรือว่าปฏิสนธิด้วยติเหตุแต่ว่าไม่เป็นบาทแห่งโลกุตระธรรมนะครับเนื่องจากเอาสติปัญญาไปใช้อย่างอื่นสัมบตนั้นก็เอาความเฉลียวความฉลาดไปเรียนรู้เรื่องทำปานาติบาเรื่องทรมั ท, มทินาทานเป็นต้นเนี่ยนะก็เลยไม่ได้มาศึกษาธรรมะเพื่อเป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมอะไรนะครับพวกนั้นๆก็ชื่อว่าอาภัพด้วยนะครนะอย่างเช่นเราเห็นนะอ้คนนี้เนี่ยฉลาดเฉลียวมากน่าจะมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป่าแล้ครับเขาไม่ได้มาศึกษาแล้วครับเขาไม่สนใจด้วยหรอกถึงความฉลาดอันนั้นกับของมีที่มีอยู่ในตัวเขาเขาก็ชื่อว่าเป็นประเภทอภพผบุคคลด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นบาปแห่งโลกุตรธรรมอะไรเลยนะครับเหมือนกับว่าเขามีบุญเก่ามานะครับทำให้เขามีทรัพย์แต่เอาทรัพย์ไปใช้ในทางที่ไม่ไม่ควรนะครับเช่นมีมือมีแขนก็เอามือเอาแขนไปทําปาณาติบาต นะครับมีปากก็เอาปากไปมุสาวาตมีร่างกายก็ไปทําการมีสุมิฉาจาร์ไปทําบาปประกรรมอื่นๆอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็นับว่าเป็นผู้มีปัญญาสามนะครับเป็นอภั พ, พั萨เป็นผู้ที่ไม่คู่ควรแก่การบรรลุมรรคผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ถูกกรรมกลางกั้นกิเลสกลางกั้นวิบากกลางกั้นนี่นะครับไม่มีศรัทธาไม่มีฉันทะมัมีปัญญาสามคือเป็นคนโง่คนเขานี่นะครับ ไม่อาจย่างสู่สัมมัตตนิยามในกุศลธรรมทั้งหลายคืออริยมรรคคือคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้นะครับคนทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอภภาพพสัตนะครับอภภาพพสัตเป็นผู้อาภัาพนะอภภาพต่อโลกุตระธรธรมอภภาพนี้นะครับแปลว่าไม่ควรนะครับไม่ควรต่อการบรรลุมรรคผลนะนะส่วนพวกพสัตก็คือผู้ที่คู่ควรบรรลุมรรคผลได้แก่สัตว์ผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมะ เครื่องกางกัน้นคือไม่มีกรรมกางกั้นกิเลสกลางกั้นวิบากกลางกั้นเป็นผู้มีศรัทธาในพระตนะตรายมีฉันทะใคร่ที่จะบําเพ็ญกุศลมีปัญญาคนเหล่านี้ก็อาจย่างเข้าสู่สมมตานิยามในกุศลธรรมทั้งหลายนะครับคือสา ม, มารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างนี้เรียกว่ า, าพาระ菩萨ยานที่ยังรู้อาศัยอนุอยะของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเหล่านี้นี่นะครับ ในสรรพสัตว์หาประมาณไม่ได้ในจักรวาลหาประมาณไม่ได้เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ทั้งหมดนี้เรียกว่าญาณในอาศยานุสยะญาณอินเดียโปรปริยัติญาณกับอาศยานุสยะญาณนี้เรียกว่าพุทธจักสุนะครับพุทธจักสุนะสองยา น, นี้เรียกว่าพุทธจักสุเป็นตาของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นเวลาที่พระผู้มีพระภาครงตรวจดูสัตว์โลกในเช้ามืดเนี่ยนะก็ใช้พุทธจักสุเหล่านี้นะครับตรวจนะครับคือใช้ Ya, an, ai, อินเดียะโปรปริยติยานใช้อสยานุสยะยานนี่ยแหละครับตรวจดูเพราะฉะนั้นเรียกว่าพระองค์นี้มีพุทธจักสุกนะครับเพราะเป็นดวงตาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่จะตรวจดูเออตอนนั้นพระองค์ก็ตรวจเราเนะยแต่มองไม่เห็นไม่เข้าขายเลยอ่ะ <_ w> <_ suspense> ไม่เข้าขายเลยตรวจดูอินทรีย์แล้วก็แล้วนะครับตรวจดูอาสยะก็แล้ว อ, อยู่ไปก่อนว่างั้น ไปศึกษาสมัยพศ ส, สัก200อยสามสี่สิบนะสามสิบสี่สิบห้าสิิไปเถอะว่งงางั้นเนี่ยนะรออีกสองพันกว่าปีก็แล้วกันหลังจากเราตถาคตนิพพานเน่ยนะองค์ก็มองเห็นอยู่หรอกไม่ใช่มองไม่เห็นนะครับเราตาบอดจะไปคิดว่าดวงอาทิตย์ส่องไม่ถึงนะครับตามไม่ดีเฉยเฉนั่นแหละนะครับก็ท่านี้ยังไม่บรรลุขอไว้บรรลุทานา อ๋อถ้ารอข้ามท่านี้ไม่ได้ก็รอท่านหน้าท่านหนปัญหาสำคัญเลยนะครับผมมาคิดในลักษณะว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะครับรัตนะที่พระองค์มาขนมาไวเนี่ยนะครับมากมายมหาศาลก็ควรที่จะขอแบ่งมาบ้างนะครับรัตนะ ค, นะคือสติสัมโพชฌงค์รัตนะคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์รัตนะคือ วิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสัตทิสัมโพชฌ ง, งสมาธิสัมโพชฌงอุเบกขาสัมโพชฌงเนี่ยนะครับอันรัตนเหล่านี้คือสติปัฏฐานสมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละหรืออริยมรรคสิ่งเหล่านี้เป็นรัตนะแล้วก็พระวินัยปิฎกก็เป็นรัตนะพระพิธรรมปิฎกก็เป็นรัตนะนะครับพระสุตตันตปิฎกแต่และอย่างก็เป็นรัตนะหมดเลย นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะแบ่งรัตนะอันนี้เอาไปใช้บ้างนะครับในสังสารวัต ท, ที่จะดําเนินต่อไปในสังสารทุกข์นะครับที่จะไปข้างหน้านะถ้าหากว่าเราไม่ขนเอารัตนะเหล่านี้ไปนะครับเหมือนกับว่าโหเกิดมาในตระกูลของมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับ<ม>เพชรพลอยนี่จะหยิบติดตัวไปสักเม็ดสองเม็ดก็ไม่ไปแต่อยากจะเดินทางไกลยอย่างเดียวก็เอาตัวไม่รอดแน่เวลาจะข้ามท่านนู้นกม็มีปัจจัยที่จะจ่ายให้เขาครับก็ไม่มี เพชพลอย พ, พอที่จะไปจ่ายให้นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับรัตนะคือการฟังธรรมเ็นต้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากเป็นต้นก็ควรควนขวายศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะเป็นสเสบียงต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นสเสบียงไปเจ อ, เอใช้ในระหว่างที่หมดพระาศาสนานี่นะครับถ้าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้เหมือนกับดวงอาทิตย์นะเราก็เก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ในยามค่ําคืนนะครับรอกว่าดวงอาทิตย์ดวงใหม่จะขึ้นมาอีก รอจนกว่าดวงตาของโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในอีกอย่างน้อยก็สะสมอุปนิสัยนิสัยที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอาไว้ติดตัวต่อไปถ้าไม่สะสมเนี่ยนะครับบอกว่าชมพูทวีปนะที่เสมอเนี่ยมีน้อยโดยมากที่โกรกที่ชันถ้าไม่เก็บไฟไว้เลยนะครับเดินตกเขาตกเหวลําบากนะครับเดินไปคบเพื่อนชั่วคบคนพาลทั้งร้ายแหละนี่นะครับก็จะได้ฟังมิจฉาวาจา คือคํากล่าวอสัตธรรมถ้าเกิดมันเชื้อเก่ามันไปติดจะว่าไงครับก็โห oh, เป็นปัจจัยเพื่อเข้าถึงอบายทุกขติวิณิบาตรนรกถ้าไปเป็นนรกเป็นกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ไม่ต้องแล้วนะครับเมื่อไหร่มนุษย์จะได้กลับมาเกิดอีกถ้าเกิดเป็นไก่มัวแต่ไปเที่ยวชนเขาอยู่นะครับเมื่อไหร่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับแต่เกิดเป็นวัวมัวแต่ไปติดนางวัวย่งเงี้ยตายเลยแย่เลยนะครับเกิดเป็นช้างเกิดเป็น ลาเกิดเป็นวัวเป็นควายเนี่ยยุ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นทัานนี้ได้กันนี้นะครับสเสบียงทางเตรียมมาไว้นะครับ